บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับการปฏิบัติภารกิจเหล่าอื่นมีการปลูกต้นไม้มีการทำงานการปรุงอาหารการซักผ้าอะไรต่างๆเป็นต้น คือผู้กระทำมจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งที่ตนกระทำดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสิ่งเหล่านั้นเช่นการปลูกต้นไม้ก็ดูความเจริญเติบโตของต้นไม้การปรุงอาหารก็ดูอาการสุกหรือไม่สุก ข, ของอาหารแต่การทํางานเราอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีการตรวจสอบไปทุกขั้นตอนและถ้าหากว่เห็นปัญหาในตอนใดตอนหนึ่ง ก็แก้ไขกันในตอนนั้นนั้นัยนยกตัวอย่างว่าการปรุงอาหา ร, รถ้ารสชาติไม่เป็นไปตามที่เราต้องการควรจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่ ม, เ ต, มเติมลงไปในขณะนั้นๆแล้วก็มีการตรวจสอบกันจนกว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะกล่าวโดยสรุปว่าเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เรื่องของทานศีนภาวนาแต่วทุกขั้นตอนนั้นส่งสอนให้บุคคลมีการตรวจสอบให้มีการพินิจพิจารณาทุกขั้นตอนไปบางครั้งส่งอุปมาว่าเหมือนกับบุคคลเอากระจกทองเหลืองมาขัดแล้วก็ส่องดูเงาหน้าของตนขัดไปส่องไปขัดไปส่องไปขัดไปส่องไป เมื่อกระจกที่ขัดนั้นมีความสะอาดเต็มที่เงาหน้าของตนก็ปรากฏเด่นชัดไม่มีปัญหาการที่อุปมาในสมัยนั้นพระสมัยนั้นก็ใช้ทองเหลืองเป็นกระจกสำหรับส่องแล้วปกติทองเหลืองก็จะมีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอท่า น, นก่อนจะส่องก็ต้องนำมาขัดเสียก่อนแล้วก็ทรงนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมะว่าให้มีการสอดส่องในลักษณะนี้ ธรรมะจึงมีชื่อว่าเป็นสันเลขาคือเครื่องขัดเกลาหรือเครื่องขูดเกลาหรือเครื่องชำระก็แล้วแต่จะเรียกซึ่งหมายความว่าในแง่ของกุศลและธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ขจัด่ายตรงกันข้ามกับตนคืออกุศลละธรรมให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับและขั้นตอนของการสอดส่องหรือการพินิจพิจารณานั้นพึงสังเกตว่าจะมีอยู่ทุกลาดับจะในลาดับของการให้ทาน ก็มีการสอดส่องถึงทานทั้งระบบของการให้ทานและขั้นตอนของการให้ทานเพื่อไม่เกิดมีปัญหาขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งแท้จริงแล้วในตอนแรกๆการทำทานก็ไม่ค่อยมีทิศทางอะไรที่แน่นอนแต่ขอให้ทำไปก่อนเพราะว่าสามารถลดละบันเทากิเลสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เมื่อมีความประนีตขึ้นเราจะพบว่า ความคิดในการให้ทานของบุคคลก็มีแต่เพียงว่าการให้ทานเป็นการดีประสามาตรข์ขจัดโลภะและมัจจุราชออกไปจากจิตใจได้ท่นเหล่านั้นก็ให้โดยไม่ไปตั้งเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรให้ยุ่มยิมมากมายนะหรือมุ่งแต่การขัดเกลาจิตใจของตัวเองเป็นประการสําคัญไม่ได้มุ่งไปที่ผู้รับว่าเขาจะเป็นใครหรืออย่างไรก็ตามตนมีหน้าที่ขัดเกลากิเลส ข, ของตนได้โดวยวิธีใดก็ทําโดยวิธีนั้น แตวาการจะทำได้เช่นนี้ท่านก็สอนให้ตรวจสอบถึงขั้นของเจตนาในการให้ก่อนที่จะให้ในขณะให้และหลังจากให้แต่เราถึงปัจจัยที่นํามาเสียสละนํามาบริจาคในกรณีนั้นๆเพื่อให้กลายเป็นฐานที่สมบูรณ์แต่กว่าจะสมบูรณ์ได้เพิ่งสังเกตว่าบุคคลก็ต้องฝ่าความความคิดทางอารมณ์อยู่เป็นนั้นมาก บางครั้งเจตานากรให้ก็เกิดความสับสนให้เพราะความไม่พอใจต้องการตัดความรำคาญเห็นว่าเป็นพวกพ้องกันตลอดถึงให้เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นรู ป, ปรวัตถุในอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นหรือแม้แต่ในขณะให้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะคุมจิตใจไปได้ไว้จิตใจสับสนกวัดแกงไว้ด้วยความเปลี่ยนแปลงจาก บ, บุคคลภายนอกบ้างหรือเปลี่ยนแปลงจาก บ, บุคคลภายคือจิตใจของตัวเองบ้าง บางครั้งก็อาจจะเกิดความขดผูกไม่สบายใจหรือเกิดความเสียดายหลังจากให้ไปแล้วก็แสดงว่าเจตนา3ช่วงนั้นมีปัญหาอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งในการให้ทานก็พยายามปรับทั้ง3ช่วงของเจตนาเพื่อสามารถประคองจิตของตนให้อยู่ในครองของกุศลได้ตลอดไปทั้งก่อนให้ทั้งขณ ะ, ะให้ทั้งหลังจากให้และปัจจัยที่ให้ตลอดทึ้งบุคคลที่รับและก็พื้นฐานทางความประพฤติของตนเองเป็นต้น ถ้ามาถึงจุดนั้นผลของทานก็จะมีผลมีอนิสงส์มากที่ท่านเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยสัมปทาคุณพอมาถึงในชั้นศีลซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งฝึกเปลืออาการทางกายทางวจจาของตนซึ่งในขณะนั้นที่จริงกิเลตก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าหมดกิเลสไปเพียงแต่สามารถลดความรุนแรงของกิเลสไม่ให้ คบกลุ่มอาการทางกายทางวาจาของตนให้ผิดปกติไปเท่านั้นเองเพราะคำมศีลทั้นแปลว่าปกติกายปกติวาจาถึงคนเราเกิดมานั้นเพื่อสังเกตว่าเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รับทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่ได้พูดเช็ดหรือไม่ดื่มสุราได้ไปไรการกระทําเหล่านั้นเป็นความเพียรพยายามที่จะละเมิดศีลของคนในตอนหลังเพราะไปรับเชื้อในทางไม่ดีเข้ามาในชีวิต แต่จำบันของตนในขณะที่กำลังเจริญเติบโตการละเมิดสีลก็เริ่มขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆและพร้อมที่จะมีความรุนแรงขึ้นไปในแต่ละจุดโดยลำดับดังนั้นเมื่อบุคคลมีเจตนาที่จะสมาทานสีลรักษาสีลก็ต้องมีการตรวจสอบในชั้นของสีลในตอนแรกที่จริงก็มีลักษณะเป็นรูปแบบเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นในตอนหลัง ไม่ใช่รูปแบบที่สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเพราะในสมัยพระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆนั้นไม่มีการตั้งเป็นรูปแบบกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นอกจากเป็นวิธีฝึกปลือคนของผู้ใหญ่บางคนเช่นท่านอนาตบินธิกะเศรษฐีจ้างลูกชายรักษาศีลเป็นต้นตัวอย่างในกรณีนี้ก็มีน้อยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นจากศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นก่อนแล้วสมาทานศีลไป รูปแบบของการสมาทานศีลจึงเกิดขึ้นจากพุทธบริษัทฝ่ายคราวาสไม่จะเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าหรื อ, ห ร, อหรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่ต่อมาในตอนหลังบุคคลที่สมาทานศีลนั่นเองก็จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหินโทษของการละเมิดศีลนิรนคุณความดีของการมีศีลหลังจากสมาทานศีลไปแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบพิจารณาศีลของตนทุกขั้นตอน ไม่ใช่ว่าเฉพาะขั้นสูงสุดหรือทุกขั้นตอนหลังจากสมาทานไปแล้วสามารถรักษาเสียของตนได้บริสุทธิ์หมดจดหรือไม่และการรักษานั้นหรือแม้แต่การละเมิดนั้นเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ละเมิดจริงเสียขาดหรือศียงปล่อยหรือศีลง่างหรือเสีลบกพร่องไปในจุดใดจุดหนึ่งเพราะการจะถือว่าผิดศียหรือไม่ผิดศียนั้นไม่ใช่ว่านิ่งๆจะถือว่าผิดศียงไปเลย เพราะเรื่องของศีลเบื้องต้นนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเจตนาคือความจงใจของบุคคลเสมอไปถ้าไม่มีความจงใจไม่มีเจตนาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดศีลเนื่องจากเป็นศีลชั้นห ย, ยาบๆไม่ได้เอาที่จิตใจมากจนมากนักแต่ก็มุ่งที่จะให้บุคคลสามารถควบคุมอาการทางกายทางวาาิชาของตนไว้ได้ทัวนั้นเองด้านการตรวจสอบจึงต้องตรวจสอบในองค์ของศีลแต่ละข้อ และตลอดถึงการรักษาของตนเองว่าสามารถรักษาศีลได้หรือไม่ทีนี้สมมติว่าสามารถรักษาได้แล้วก็สามารถรักษาได้นานขึ้นหรือไม่อาจจะรับไปแล้วรักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสาวันสี่วันห้าวันเป็นต้นในตอนมันใหม่อาจจะรักษาไปสมาทานศีลไปไม่ได้กี่ชั่วโมงแนละ้วศีลก็ขาดไปหมดแล้วหรือขาดไปข้อสองข้อแล้วแต่ในการต่อมานั้นการเวลาเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าตนเองตั้งหลักมั่นคงมากยิ่งขึ้นและมีศีลที่ประนีตขึ้นจนถึงก็เดินไปในเส้นทางของศีลอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าก็เดินผ่านไปได้ถึงสีขั้นตอนจะเป็นข้อใดก็ได้ถึงยกขึ้นมาพิจารณาแต่ว่าที่จริงแล้วการพิจารณาก็ต้องพิจารณาทุกข้อขึ้นอยู่กับว่าสมท า, านศีลข้อใดไป แต่ถ้าเป็นพระเป็นภิกษุณีศีลมากจะยกขึ้นมาทีละข้ออย่างนั้นก็ไม่ได้ก็พิจารณาเป็นกองอาบัตคือเจ็ดกลุ่มด้วยกันสวดสอบถึงอาบัติที่ตนต้องหรือไม่ต้องถ้าต้องต้องมากขึ้นหรือว่าต้องน้อยลงถ้าหากว่าต้องอาบัตน้อยลงก็แสดงว่าจิตใจประนีตขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามให้ต้องน้อยลงโดยลําดับแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นอาบัติก็ต้องยอมรับว่าเป็นอาบัติแล้วก็รีบแก้ไขไปในส่วนของชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่ก็ จะอยู่แค่สีท่าแล้วก็มาตรวจสอบในชั้นของสีท่าเช่นการฆ่าเองนั้นไม่ได้ฆ่าจริงท่นเรียกว่าสาหัสกิกประโยคคือไม่ทำด้วยตัวของตัวเองจริงแต่ว่าใช้คนอื่นทำหรือไม่ก็ตรวจสอบในชั้นนี้ทีนี้ถ้าเห็นว่าฆ่าเองก็ไม่ได้ฆ่าใช้คนอื่นฆ่าก็ไม่ได้ใช้มามองดูที่จิตใจ มามองดูที่อาการทางอื่นเช่นการยกย่องสรรเสริญการกระทํำของผู้ฆ่าหรือไม่แต่ยังมีความชื่นชมยินดีในการฆ่าและแสดงออกมาในลักษณะยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าก็เป็นการชี้เห็นว่าภายในใจนั้นยังมีวิหิงสาวิตกแรงยังมีพยาบาทวิตกแรงยังมีความคิดในแนวเบียดเบียนอยู่สูงกำลังของกิเลสแก่ก้า มีอะไรมากระแทกกระทันจากข้างนอกก็อาจจะฆ่าเองหรืออาจาาออาจะสั่งให้บุคคลอื่นฆ่าก็ได้ยังไม่ควรถึงความวางใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีศีลบั่นคงแล้วเพราะมีลักษณะเสี่ยงอยู่มากแล้วก็ตรวจสอบไปจนถึงว่าจิตใจจะไม่มีความชื่นชมยินดีแม้แต่ในความคิดไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกทางวาจาแม้ในความคิดก็ไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่า แสดงว่าสิจัยก็ประนีตขึ้นไปศีลก็ประณีตขึ้นไปแม้ในขั้นอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้ในข้ออื่นๆคือข้ออธินากาเมมุสสาสุราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้พอมาถึงขั้นของสมาธิการของสมาธินั้นดังที่ได้ทราบแล้วว่าวิธีการทางสมาธินั้นแม้จะมีการแสดงหลากหลายออกไปมากอารมณ์ของสมาธะ ถ้าเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่4ี่สิบปเริ่มต้นแค่36เท่านั้นปริศีข้อนั้นจะต้องผ่านรูปฌานเสียก่อนจึงจะไปเจริญกรรมฐานเหล่านั้นได้แต่ก็ตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ต้องไปตรวจสอบที่เหตุเพราะเหตุทุกข้อที่ทรงแสดงไว้นั้นจะนำไปสู่การสงบนิวรณได้ทั้งหมดไม่ยใ่ว่าจะต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ข้อไหนก็ได้ เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกันมีฐานะทัดเทียมกันไม่ยิ่งไม่หยอดกว่ากันเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงให้สดครองกับจริตอัตยาสายของคนเท่านั้นเพราะธรรมะระดับนี้ท่านเรียกว่าอนุโลมมัทเนาคือประธรรมเทศนาที่แสดงอนุโลมตามคล้อยตามพื้นเพจริตอัตยาสายของผู้ฟังในกรณีนั้นๆและเมื่อแสดงแล้วหลากหลายไปแล้วสรุปแล้ว ก็สอดคล้องกับจริตของคนทั้ง6ประเภทหรือสประเภทตามหลักในมหาสติปัฏฐานสุดซึ่งหมายความว่าใครเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าจะให้เจาะจงจริงๆก็จำแนกไว้ชัดเจนว่าคนจริตอย่างนั้นปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้นจริตนี้ปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนไม่สามารถกาหนดได้ว่าตนเป็นคนมีจริตอะไรก็ทรงแสดงกรรมฐานกลางไว้ ได้แก่อนาปานสติกรรมฐานซึ่งสาวะาช่วยให้ผู้ปฏิบัติสงบจากนิวรร์ทั้ง5้าประการได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีจติตอะไรก็ตามทีนี้การตรวจสอบจึงไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบที่ตัวเหตุเพราะตัวเหตุเป็นเพียงอุบายวิธีเท่านั้นเองเราจะภาวนาอะไรก็ได้ดูใบไม้ก็ได้กระแสน้ําก็ได้ท้องฟ้าก็ได้ดูสีต่างๆก็ได้ดูดินดูน้ําดูลมดูไฟก็ได้ หรือว่าตั้งจิตนิ่งๆไว้เฉยๆก็ได้ประการสำคัญอยู่ที่นิวรณ์สงบหรือไม่ถ้านิวรณ์สงบสงบได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราสามารถจะดูได้ในชีวิตประจำวันหรือตามปกติแล้วในชีวิตประจำวันนั้นจิตของบุคคลมักจะถูกปรุงด้วยกิเลสสายโลภะกะับสายโทสะนั้นสูงเพราะอะไรเพราะอารมณ์ภายนอก มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดความยินดีกับความยินร้ายสูงถ้าเกิดความยินดีกิเลสสายโลภะ ก, ก็เกิดเกิดความยินร้ายกิเลสสายโทสะก็เกิดจิตใจก็จะเพิ่มปริมาณของความหลงให้มากยิ่งขึ้นแต่การของความหลงจะปรากฏน้อยกว่าโลภะกับโทสะเพราะตัวกระแทกกระทันให้เกิดอารมณ์ในแนวนี้ไม่ค่อยมีรุนแรงมากนะักเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงจึงมักสแสดงเฉพาะอาภิชาตโทมนัทหรือความรักกับความชัง หรือความโลภ ก, กับความโกรธเป็นเป็นประการสําคัญโดยเฉพาะในชั้นการดํารงชีวิตแต่เพิ่งเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากโมหะเป็นตัวการใหญ่หรือว่าใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คืออวิชชาทีนในการตรวจสอบว่าจิตไปเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจเป็นต้นตามแนวของนิวรณ์ทั้ง5ประการนี่ยมีลักษณะลดลงหรือไม่ถ้าลดลงอ่อนไหวง่ายหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีตัวมากระตุ้นอาจจะสงบได้แต่ถ้ามีอารมณ์มากระตุ้นจะอ่อนไหวได้ง่ายเหมือนเดิมหรือว่าอ่อนไหวน้อยลงถ้าอ่อนไหวน้อยลงก็แสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเพิ่มเป็นพูนต้านทานจิตใจของตนเองให้สูงมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นชั้นของการตรวจสอบที่เราพูดกันโดยตัวไปว่าสอบมารม สอบอารมณ์นั้นคือเราสอบของเราเองรตรวจสอบของเราเองว่าจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหรือไม่ในขณะที่นั่งสมาธิตั้งแต่เริ่มนั่งจนถึงความสงบนั้นช่วงมันสั้นขึ้นหรือเปล่าแต่ช่วงสั้นขึ้นแสดงว่าผลจากการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแต่ถ้าช่วงยังยาวอยู่หรือไม่มีความสงบก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามต่อไป ดังนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าภาวิตาพาบริกาตาอบรมก็ทําให้มากอบรมกระทาให้มา ก, มกทําทให้เป็นญาณภานะเป็นเรื่องอาศัยทําให้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของอารมณ์ก็ทําไปเรื่อยๆเพราะไรเพราะว่าวิธีการเหล่านี้จะต้องสามารถสร้างความสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการให้เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ที่นี้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของบุคคล คล้ายๆกับการเรียนหนังสือการตั้งตัวของบุคคลในฐานะตำแหน่งต่างๆต้นทุนของเรานั้นมีมากหรือมีน้อยต้นทุนที่เป็นมรดกต้นทุนที่เราสั่งสมขึ้นมาเองแต่ว่าต้นทุนที่เป็นมรดกมีมากต้นทุนที่เราสั่งสมขึ้นเพิ่มปูนขึ้นโอกาสที่จะตั้งตัวได้รวดเร็วก็จะติดตามมาแต่ถ้ามรดกน้อยหรือมรดกไม่มีต้นทุนที่เราสร้างขึ้นใหม่น้อย โอกาสที่จะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานก็ต้องช้าหลงเป็นธรรมดาแต่แน่นอนบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามอย่างมีสติสัมปชัญญะควบคุมการปฏิบัติในชีวิตของตนอยู่ต่อไปผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติต้องเกิดขึ้นแน่นอนตืนจะมากจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังกล่าวแล้วการตรวจสอบเหล่านี้สามารถที่จะตรวจสอบคือไม่ใช่ดูเฉพาะใ น, ในช่วงที่ปฏิบัติสมาธิ เพรจริงแล้วนิวรณ์มันก็สงบในช่วงปฏิบัติสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมันก็เกิดอารมณ์มากระทบนิวรณ์มันก็ฟูขึ้นได้เพราะนั้นท่านเหล่านี้จึงมักอาศัยการอยู่วิเวกแล้วก็เข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดสามารถสงบนิวรณ์ได้ผลของกรรมาฐานประปปประเภทนี้ท่านเรียกว่ากุกปตธรรมคือกำเริบได้อยู่เรื่อยๆทีนี้การกำเริบนั้นกำเริบเร็วหรือกำเริบช้า ก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งในชีวิตประจําวันและในช่วงของการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจําวันนั้นมีสื่อที่มากระทบใจทั้งให้เกิดเป็นกามฉชัน้นให้เกิดเป็นพยาบาทให้เกิดเป็นทีนมิตรอุตจักกุกจะวิจิกิจฉาคือพร้อมที่จะเกิดได้ทุกทุกทางปัญหาสําคัญว่าใจมันแล่นไปรับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ารับน้อยลงแสดงว่าความมั่นคงทางใจก็สูงขึ้น รับมากขึ้นแสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยังไม่เต็มยังไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความมาไม่ถึงกับไม่เกิดเพียงแต่เป็นการสร้างฐานลักษณะคล้ายๆกับตอกเข็มทึ่จมอยู่ในดินแล้วก็ยังมองไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่ที่จริงก็เกิดขึ้นแล้วเป็นลักษณะของบา ร, รมีที่คล้ายๆกับหยดน้ำใสลงไปในน้ําขุนก็กําลังก่อตัวรวมตัวแึ่ก็มีพลังในการขาจัดน้อยอยู่ อาการขุ่นข้นจึงปรากฏชัดเจนความใสในน้ำจึงยังไม่ปรากฏชัดเจนแต่ที่จริงน้าใสมันก็ลงไปอยู่มากแล้วเหมือนกันพอมาถึงชั้นของวิปัสสนากรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นตัวการใหญ่ก็คือว่าจะต้องสามารถคัดจัดความรู้สึกที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่แท้จริงออกไปจากใจได้ที่ท่านใช้คำว่าวิปัญลา วิปัสสนั้นจะมีอยู่สี่ทางได้กค่ว่าใครจะมองก็ตามถ้าวิปัสสาามันก็มีสี่ทางถ้าไม่วิปัสสาามันก็มีอยู่สี่ทางคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนี้ก็เป็นพื้นฐานการมองโดยทั่วไปแต่ว่าดูความเปลี่ยนแปลงของใจนั้นเช่นว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนให้ไปดูไปชมไปซื้อหาสิ่งต่างๆอ่อนไหวน้อยลงไหม ไปตามคาเชิญชวนชักชวนของบุคคลอื่นง่ายไหมถ้าหากว่าอ่อนไหวน้อยลงหรือว่าไปตามคําเชิญชวนชักชวนของบุคคลอื่นน้อยลงก็แสดงว่าการกำหนดว่าสวยงามนั้นน้อยลงและการกำหนดว่าสวยงามก็ไม่ใช่กำหนดเฉพาะสวยงามอย่างเดียวต่้นใช้กำว่าสุภา สุภาษัญญาหรือสุภาษณิมิตเป็นการกําหนดว่าสวยงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมการกำหนดอะไรถ้ากําหนดรูปก็กําหนดว่าสวยกําหนดเสียงก็กําหนดว่าไพเราะกําหนดกลิ่นก็กําหนดว่าหอมกําหนดรสก็กําหนดว่าอร่อยกําหนดปุถะพระก็แปลว่าหน้าจับหน้าต้องหน้ารูปหน้าคลมเป็นต้นใจใจก็จะไขว่คว้าปรารถนาจริงเหล่านั้นถ้าอ่อนไหวน้อยลงแม้ใจะเห็นแม้จะประจักษ์ในที่ของตัวเองหรือต่อหน้าต่อตาตัวเองได้ยินโดยหูตัวเองเป็นต้น และจิตใจอ่อนไหวน้อยลงเพราะมองเห็นว่าที่จริงมันก็ไม่สวยไม่งามสามารถมองทะลุการปรุงแต่งออกไปได้แม้ภาพเหล่านั้นก็จะปรุงแต่งสวยงามอย่างไรแต่ก็มองเข้าใจถึงความจริงว่าที่จริงไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเอาและสามารถบรรเทาความกำหนัดเรื่ออำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ แ, แสดงเห็นว่าความคิดในแนววิปัสสนาตรมันก็ลดลง แั้แนวสอนกรรมาฐานเหล่านี้บางครั้งที่ส่งแยกออกมาเป็นการสอนในพิจารณาผมขนและควันหนังเป็นต้นไปดูเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้แต่สรุปว่านในชั้นนี้ถ้าถ่ายถอนลงไปได้สแสดงว่าผลของวิปัสสนาก็เกิดหรือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยลดลง คือตามปกติแล้วเราจะพบว่าไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่คนส่วนใหญ่จะไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมีการกำหนดมีการยึดติดว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยพอสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็เกิดความโศกความเสียใจแต่นั้นการเจริญวิปัสสนาหรือผลของการเจริญวิปัสสนาเมื่อประสบ ความเปลี่ยนแปลงของสัตว์และสังขารทั้งหลายจะเป็นที่รักหรือเป็นที่ชังก็ตามทำใจได้สงบใจได้หรือปร่งตกได้ในอารมณ์ดอกนั้นอาจจะลึกซึ้งขนาดไหนลึกซึ้งบ่าเป็นเรื่องของธรรมดาสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วเราจะคิดเราจะโศกเราจะเสียใจอะไรบ้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้น นับภาษาอะไรกับสิ่งอื่นเพียงแต่ว่าสิ่งอื่นแตกทําลายไปก่อนเราแตกทําลายเท่านั้นและเราก็ต้องแตกทําลายไปก่อนคนอื่นๆอีกไม่มีใครเป็นคนแตกที่หลังหรือว่าแตกก่อนคนอื่นที่จึงมันเป็นกระบวนการของการเกิดดับมีการเกิดดับในขณะที่คนหนึ่งดับไปนั้นมีคนดับก่อนเขาก็มีดับหลังเขาก็มีเวลาเราดับก็มีคนดับก่อนเราก็มีดับหลังเราก็มีเพราะฉะนั้นทังกลายเป็นเรื่องธรรมดา สงบใจได้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีอุปายาตความคับแคลนอยู่ภายในใจหรือมีก็ลดลงกว่าเดิมลดลงกว่าก่อนเข้าวัดลดลงกว่าก่อนฟังธรรมจรําศีลลดลงกว่าก่อนการเจริญสมถกรร ม, า ม, มราฐานนิพพานกรรมฐานก็เห็นเป็นความเจริญเติบโตของจิตใจที่เข้าถึงธรรมะมากยิ่งขึ้นหรือในกรณีของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ แต่คนมักจะเพลิดเพลินไปกำหนดว่าเป็นความสุขเราเห็นความทุกข์ไปจากแก่ใจสูงขึ้นหรืออย่างน้อยปรงตกในอารมณ์ต่างๆเวลามีความทุกข์ก็ไม่อ่อนไหวเดือดร้อนเพราะความทุกข์เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนมากเกินไปก็ถือว่าได้รับผลแล้วในชั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ผลที่สมบูรณ์ผลที่สมบูรณ์นั้นยังอีกนานเพียงแต่ได้เห็นความเจือจางของความยึดติดในแนววิปลาสออกไป ถ้าเราถึงสิ่งที่ไม่เป็นอัตราตัวตน ท, ที่แท้จริงเราเข้าใจความจริงเหล่านั้นแล้วดลดความยึดถือในลักษณะอัตราตัวตนลงไปก็ชื่อว่าเป็นการเห็นตามหลักของวิปัสสนาในชั้นหนึ่งส่วนการเห็นที่สมบูรณ์นั้นเราอาจจะมองจากจุดนี้หรืออาจจะมองจากจุดหนึ่งก็ได้เพราะการกำหนดหมายในแนวที่คลาดเคลื่อนทาให้ใจของบุคคลไปยึดติด ตัวอำนาสิ่งที่ทรงใช้คําว่ากาหะบ้างใช้คําว่าอุปาทานบ้างก้อนนี้ก็แล้วแต่จะเรียกในลักษณะของกาหะนั้นจะใช้สูงปรากฏในพระครัมภีร์ต่างๆมากกว่าที่ใช้คําว่าอุปาทานเพราะอะไรเพราะว่าคําสั้นๆแต่สรุปรวมกลุ่มกิเลสไว้ทั้งหมดในคําเพียงสามคำคือใช้คําว่าตันหักาหะยึดถือว่าเป็นของเรา รูปของเราเสียงของเราและของเราทั้งที่จริงมันก็ตั้งแต่หยาบหยาบทรัพย์สินของเราเลือกสวนไร่นาของเราบ้านของเราบุตรพันธญาของเราญาติพี่น้องของเราประเทศของเรากัของเราของเราลัวเนี้ยในชั้นของสมมติสัจจะเป็นการปฏิบัติภาระตามหน้าที่แต่เวลาประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่แข็งขืนไม่เศร้าโศกต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราซึ่งต้องแบ่งให้ได้ทั้งสองช่วง ไม่ใช่ว่าพอถ่ายถอนออกไปแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่นันงขังขอบอะไรนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะคนเรายิ่งเข้าถึงปรมตัตสัตย์จะทำสูงเท่าไหร่จะอาศัยสมมติบัญญัตินั้นเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติมีความประณีตมากยิ่งขึ้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ยิ่งศึกษาสูงขึ้นไปนั้นจะเข้าใจเนื้อหาวิชาข้างล่างที่ตนผ่านมาแล้วมากยิ่งขึ้น ถ้าจะปล่อยให้ไปทําให้ไปสอนให้ไปอธิบายก็จะอธิบายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสอนได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งๆที่ตนเองก็ผ่านขึ้นไปเะยะแล้วจิตใจของท่านที่เป็นพระยาบุคคลซึ่งถ่ายถอนตันหาออกในอารมณ์ทั้งหลายออกไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านจะปฏิบัติมีความถูกต้องสมบูรณ์มีความประนีตเพราะตัวปัญญาเป็นตัวชําระศีลชาระสมาธิประณีตอย่างที่ทราบกัน น, นการตรวจสอบก็ดูดการลดของตันหา หรืออย่างน้อยกับความวิตกกังวลถึงอารมณ์ต่างๆเช่นคนมีหลายบ้านนอนที่บ้านหนึ่งวิตกกังวลถึงอีกบ้านหนึ่งวิตกกังวลถึงลูกถึงหลานที่อยู่ในบ้านในเมืองไกลวิตกถึงการงานที่ยังได้ทํามาก่อนได้ยังไม่ได้ทําเป็นต้นนี่แสดงว่าตันหาสายไปในอารมณ์มากเกินไปวิ่งไปข้ามทวีปวิ่งไปหลายๆเมืองแต่ในสุดก็ไม่สงบแต่ถ้าจิตใจเราสงบได้ คือปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เวลานี้หน้าที่ของเราก็คือนอนให้หลับไปพักผ่อนเอาแรงก็นอนไปเลยถ้าปรากฏผลแก่ใจในลักษณะนั้นก็หมายความว่าอาการวิ่งวุ่นของใจด้วยอำนาจของกามฉันเป็นต้นได้เบาบางลงไปการตรวจสอบก็ตรวจสอบในแนวละก็ได้ที่กล่าวมานั้นเป็นการแนวละแต่อาจจะมองในแนวบาเพ็ญอาจจะมองเห็นเร่งความส ง, งบ ของจิตใจมีสติสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิต ใ, ใจของตนต ล, ดลอดทั้งในชีวิตและในการงานของตนได้ที่ทรงใช้คำว่าตัดเถรถรวิปัสติคือเห็นประจักษ์ชัดในกรณีนั้นๆก็ได้วันการมองมองแนวลดก็ได้มองแนวเพิ่มก็ได้เพราะหลักการปฏิบัตินั้นเป็นแนวที่เรียกว่าปหาหะกับภาวนาคือมองความชั่วที่เราลดไปหรือมองความดีที่เพิ่มขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะการที่ความดีเพิ่มขึ้นแสดงว่าความชั่วลดลงหรือการที่ความชั่วลดลงนั้นแสดงความดีเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อบุคคลเห็นฝ่ายหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากกุศลกับอกุศลนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามกันฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งดับฝ่ายหนึ่งดับฝ่ายหนึ่งก็เกิดการมองจึงสามารถจะมองได้ในด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะสะท้อนให้เห็นด้านหนึ่งได้ด้วยใจของตนเองต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป